ยังไงไปงานสดเป็นการเล่นน้ำเหรอแกไม่ให้ไปเลยค่ะแกแบบไม่บอกใครเลยวันเดียวเผาเลยอแ้่ก็เผาเลยเผาเลยใช่ไหมอ่าอ่าก็แกก็ทำง่ายดีนะร่างกายก็เป็นเหมือนขยะสายไปก็กำจัดไปเลยมันไม่มีคุณค่าราคาเลย ช่วย่วร่างกายของเป็ดของกไก่ได้เลตายยังไปขายในตลาดได้แต่ร่างกายของคนนี่ไม่มีคุณค่าราคาเลยเป็นเหมือนเศษขยะตายแล้วต้องใจกกำจักมัน <c oughs> เทนี้เผามันร่างกายมันไม่มีสาระประโยชน์เลยแล้วอาจารย์เดี๋ยวนี้เขามี ห่อศพลงไปแล้วก็สายเข้าไปในพื้นดินแล้วก็ปลูกต้นไม้อยู่ข้างบนนะคะอให้เลี้ยงต้นไม้ใช่เป็นปุ๋ยเลยเป็นปุ๋ยไปค่ะก็ดินกันนะคะก็ได้ก็มาจะกมันก็มาจากดินน้ำลงไปรับมีประโยชน์นิดหน่อยแต่ยังอีกนานกว่าจะกว่าจะทํากันเป็นที่ที่กว้างขวางก็เอาที่เถ้าไปเลยต้นไม้ก็ได้ที่ทถ้าก็ไปขี้เถ้าโรยฮะขี้เถ้าส่วนใหญ่คนกลัวว่าจะติดเชื้อโรค อย่างแม่ของน้องตามาโบนี่เวลาเผาเสร็จท่านก็เอาขี่ท่าไปลงที่โคนต้นโพไปคุกกับดินแล้วก็ไปปลูกต้นไมออไปเลี้ยงต้นโพเลยไปบูชาต้นโพร่างกายมันมีคุณค่าตอนที่มีชีวิตอยู่นพะาเราสามารถใช้มันพาเราไปนิพพานได้พาเราไปสวรรค์พาเราไปที่ดีก็ได้ หรือถ้าเราโง่ก็พาเราไปที่ไม่ดีก็ได้อย่าถ้าเราเอามันไปทาบาปมันก็จะพาเราไปอบา ย, ยาถ้าพาเอามาทำบุญนี่มันก็จะพาเราไปสวรรค์ไปนิพพานกันร่างกายมันดีตามที่มันมีชีวิตอยู่ีคุณค่ามีประโยชน์เหมือนรถยนต์นะขอเรามองร่างกายเราว่าเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นคนขับรถยนต์ เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราใช้ร่างกายพารเราไปเวียนว่ายตายเกิดก็ได้พารเราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้แต่ตอนนี้เราไม่มีแผนที่ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็เลยพามันไปเวียนว่ายตายเกิดพามันไปแก่ไปเจ็บไปตายพอตายแล้วเราก็ไปหาร่างกายอัอนใหม่ พาให้เรามาเรียนไหว้ตาเกิดกันต่อจนกว่าเราจะพบแผนที่แผนที่ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีแผนที่ก็เหมือนมี gps สมัยนี้เขาไม่ต้องใช้แผนที่เขาใช้ gps พระพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าก็คือ gps ตั้งตั้พิกัดได้เลยในนิพพาน พิกัด น, นิพพานอยู่ตรงไหนอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาตั้างมันไว้ตรงนั้นแล้วเดินไปทางศีลเดินไปทางสมาธิเดินไปทางปัญญาเดี๋ยวก็ถึงนิพพานถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับไม่มี G.P.S ขับรถไปก็ไม่รู้ว่าจะตั้งพิกัดไว้ตรงไหนมันก็เลยเวยนอยู่แถววงเวียน วงเวีนของการเรียนไหวาตายเกิด น, นี่แหละคือคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่มหาศาลของพระพุทธศาสนาของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและคุณประโยชน์ของร่างกายของเราชีวิตของเรานี่ยถ้าได้ไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ไปได้ร่างกายของของเดรัจฉานก็ใช้ไม่ได้ถ้ามาเกิดเป็นสุนัขมาเกิดเป็นแมว ก็มาอาศัยข้าวัดกินนั้นได้รับประโยชน์ก็เพียงแต่ได้อยู่วัดได้มีที่อยู่อาศัยมีอาหารกินแต่ไม่สามารถรับประโยชน์จากคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะไม่เข้าใจภาษาเลยไม่รู้ว่าเวลาพระสงองค์เจ้าเวลาญาติโยมนั่งฟังเทศฟังธรรมกันนี้มีความหมายว่าอย่างไรถ้าพวกเรา เป็นมนุษย์แต่เราฟังเทศแบบทัพพีในหม้อแกงมันก็ไม่ต่างกับแมวแมวกับหมาที่มันฟังเทศมันก็ฟังไม่รู้เรื่องทัพพีในหม้อแกงมันก็ไม่รู้ว่าแกงมันเป็นยังไงใช่ไหมถามทัพพีว่าให้แกงนี่แกงอะไรมันรู้มันไม่รู้มันรู้แต่ตักแกงออกจากหม้อใส่ชามใส่ชามใส่อะไรแต่มัไม่รู้ว่าเป็นแกงเผ็ดแกง จืดแกงอะไรใช่ไฟังทางแบบทัพพีในหม้อกแกงก็ฟังแบบใจลอยฟังไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไม่ได้ตั้งใจฟังเลยฟังไม่รู้เรื่องก็เลยเป็นเหมือนทัพพีไม่เป็นเหมือนล้นถ้าเป็นล้นนี่พอมีรสของแกงมาหยุดมาแตะลิ้นแค่หยดเดียวก็รู้ว่าเป็นแกงอลไร ถ้าจะฟังทำให้ได้รับประโยชน์ต้องฟังแบบนิ้กับแกงคือตั้งใจจดจอ่อฟังเสียงธรรมแล้วก็คิดตามพิจารณาตามพิจารณาตามมันก็จะเกิดผ่านเข้าใจขึ้นมาตอนนี้เข้าใจแล้วว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไรเป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือน GPS ร่างกายเราก็นเหมือนรถยนต์ เราเป็นเหมือนคนขับรถยนต์ตอนนี้เราหลงทางแล้วหาทางกลับบ้านกันไม่เจอบ้านของเราก็คือพระนิพพานนี่แหละเป็นที่ปลอดภัยที่สุดเป็นที่ปราศจากความทุกข์เป็นที่มีแต่ความสุขมีคือบ้านของเราที่พระเจ้าไปถึงแล้วท่านพบทางไปสู่พระนิพพานแล้วท่านก็เลยเอามาบอกพวกเรากัน ถ้าพวกเราฟังแบบตั้งใจเราก็จะรู้ว่าทางที่จะไปพระนิพพานนี้ไปทางไปทางไหนท่านก็บอกว่าต้องไปทางศีลพอถึงศีลแล้วก็ให้ไปทางสมาธิพอถึงสมาธิกใกล้ไปทางปัญญาต่อพอไปทางปัญญาปุ๊บก็ถึงบ้านเลยเหมือนกับเราจะกลับกรุงเทพนี้เราต้องไปทางไหนกันใช่ไหมถ้าไปทางสวดคุมิสเนี่ยก็ต้องไป สีราชาบางแสนเมืองชนแล้วถึงจะไปกรุงเทพทางมันมีที่ต้องวิ่งผ่านทางไปนิพพานก็เป็นที่ที่เราต้องวิ่งผ่านท่านบอกให้ไปทางศีลร้ลมีศีลกันหรยังถ้าไม่มีศีลก็ไม่ได้ไปทางศีลไปทางอื่นถ้าเรายังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ระพฤติผิดประเวณี ดปลึเดิมเซรายาเมา อ, อยู่อย่างนี้เราก็ไม่ได้ไปไปทางศีลเราไปทางทุศีลคนละทางกันงั้นถ้าเราอยากจะไปทางที่พระพุทธเจ้าสรงไปเราก็ต้องไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไปทางศีลก็ต้องรักษาศีลกันรักษาศีลห้าก่อน ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มชุรายาเมาและอบายามุกต่างๆพอเรารักษาสีห้าได้แล้วท่านก็บอกว่าไปขั้นต่อไปก็คือไปสิลแปดสิแปดตอนต้นก็เอาวันพระก่อนก็ได้วันธรรมดารักษาสีห้า เวลาไปทํางานไม่สะดวกที่จะรักษาสีแปะก็รักษาสีห้าไปก่อนส่วนวันหยุดก็รักษาสี 8. แปดกันนี้วันพระมันไม่ตรงกับวันหยุดเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระมาเป็นวันหยุดตอนนีเราหยุดทํางานไม่ต้องไปทํางานเราก็ถือสีแปะได้เพราะว่าถ้าไปทํางานมันมันต้องกินอาหารเย็นต้องมีกำำําลัง แต่ถ้าเราไม่ไปทํา ง, งานเรากิดแค่มื้อเที่ยงก็พอก็อเราไม่ต้องใช้กําลังกายเราจะมานั่งเฉยๆกันนั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมกันอันนี้พอเรามีศี 8, แลแปดเราก็จะไปสู่สมาธิได้ถ้าเรารักษาศีลแปดเราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิกันมาเรานั่งสมาธิได้ จสงเราก็ไปสู่ขั้นปัญญาต่อไปได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมได้นี่คือทางที่จะพาให้เราไปสู่บ้านของเราเราต้องรีบฉวยโอกาสเพราะว่าโอกาสที่จะมาได้ร่างกายนี้ร่างกายของมนุษย์นี้ และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่มันไม่ใช่เป็นของงา่ายเขาบอกว่าถูกคัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งง่ายกว่าคิดดูก็แล้วกันชาติหนึ่งเราเกิดมาเคยถูกคอตเตอรี่กันบ้างไหมรางวัลที่หนึ่งอย่าว่าแต่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองที่สามเคยถูกไปนบ้างรึเปล่าเลขท้ายก็ไม่ถูก <c oughs> อ่าไม่ถูกเลยพรไม่ซื้อใช่ไหมไม่เคยซื้ อ, อซื้อแล้วก็ไม่ถูก อันนี้ก็เหมือนกันพวกเรานี่ถือว่าได้ถูกแบตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันแล้วได้พบกับพ่อพุทธศาสนาได้เป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าได้ถูกแบตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยเวลาถูกแบตเตอรี่แล้วเราต้องทําไงเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลเนี่ยถ้าเก็บตัวไว้เฉยๆมันก็ไม่มีรางวัลให้เราเพรนั้นพอเราถูกแบตเตอรี่เราก็ต้องไปขึ้นรางวัลกันเราถูกแบตเตอรี่ของพ่อพุทธศาสนา ได้พบกับ GPS แล้วเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลเราก็ต้องออกเดินทางไปตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว<ม>ขั้นต่อไปก็ให้ทำตามคำสอนสอนเนี่เรารักษาศีลเอาศีลห้าก่อนถ้ายังศีลห้ายังไม่ได้เอาศีลห้าก่อนถ้าได้ศีลห้าแล้ววันหยุดก็เอาศีลแปบ แทนที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขทางร่างกายก็มานั่งสมาธิกันมาหาความสุขทางใจกันมีคนค่ากว่ามีความสุขมากกว่าแล้วทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดความสุขทางร่างกายจะทำให้เราติดเหมือนติดยาเสพติดต้องกลับมามีร่างกายมาเสพอยู่เรื่อยแต่ถ้าความสุขทางใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิด แล้วไม่ต้องบวชนีน่ไปถึงไหมคะก็ไม่นี่ไม่ได้บอกให้บวชนี่ <c oughs> บอให้บอกให้ถือศีลแปดเท่านั้นเอง <c oughs> นีลแตดก็ไปถึงแล้วแต่ต้องปฏิบัติทุกวันนะแล้วมีอะไรไหคะทานอาหารแต่เที่ยงเสร็จไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปาก ไม่ไม่เที่ยวไม่หาความสุขทางตาหูจมูกเล่นการเช่นไม่ดูละครดูภาพยนต์ไปไปงานสังสรรค์ไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆให้อยู่ที่สงบอยู่คนเดียวปิดวิเว้อยู่บ้านก็ได้อยู่วัดวก็ได้สองคนนะคะปิดวิเว้ก็อยู่คนละห้องเลย <c oughs> เขาอยู่ทางนน้นล้วก็อยู่ทางนี้ <c oughs> อ, อย่าอยู่ใกล้กันใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันควยกันมันจะไม่สงบ เราต้องอยู่คนเดียวว่าเราต้องการหยุดความคิดความคิดทำให้ใจเราไม่สงบถ้าเจอกันมันก็อดที่จะคุยกันไม่ได้ถ้าเราไม่คุยเดียยเขาหาว่าเอะเราเป็นยังไงใช่ะหไม่พอใจเขาเลยเราก็กลัวใช่ไหมเราก็เจอกันก็ต้องทับกันคุยกันเพื่อให้รู้ว่ายังมีเมตตาต่อกันยังรักกันอยู่แต่ถ้าทั้งสองคนปฏิบัติจะเข้าใจกันว่าไม่ต้องคุยกัน เวลาที่ถือศีแลแปดเวลาปฏิบัติี้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างวควบคุมความคิดกันต้องการให้หยุดความคิดเพราะถ้าหยุดความคิดแล้วใจจะสงบแล้วจะมีความสุขมากจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายแล้วก็จะไม่ต้องมีร่างกา ย, ยต่อไปขณะที่มีร่างกายก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเี่เหมือนตอนเนี้ยเจ็บ เจ็บตรงไหนปวดตรงไหนไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะสามารถมีความสุขได้จากการหยุดความคิดหยุดความคิดนั่งเฉยๆทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขมากมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรเนี่ยถ้าเราได้ความสุขแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อน ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกแไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราจะอยู่กับความสงบไปตลอดนั่นแหละคือบ้านของเราบ้านของเราก็คือความสงบของใจนี่แหละทีนี้จะให้มันสงบได้อย่างตลอดเวลาก็ต้องมีปัญญาคอยกําจัด ตัวที่จะมาทําลายความสงบนะครับเพราะว่าบางทีเรายังมีความอยากอยู่พอเกิดความอยากใจก็ไม่สงบแล้วต้องไปทําตามความอยากอยากกินก็ต้องไปกินนะอยากดื่มก็ต้องไปดื่มนะทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่จําเป็นจะต้องกินต้องดื่มแต่มันยังอดไม่ได้เพราะเคยกินเคยดื่มเราก็ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนสอนว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการทําตามความอยาก จะทำให้เราอยากไปเรื่อยเมื่อเราอยากไปเรื่อยเราก็ต้องมีร่างกายอยู่เ ร, ยเรื่อยเพราะความอยากนี้ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทำตามความอยากเรากลับเรามาหยุดความคิดหยุดความอยากดีกว่าถ้าเราหยุดความคิดได้หนึ่งเราก็จะเริ่มเรื่องของความอยากได้เช่นเราอยากจะดื่มอะไรพอเรามาหยุดความคิด เรื่องที่จะเดื่มมันก็หายไปลืมไปลืมไปแล้วก็เลยไม่ได้เดือดสังเกตดูบางวันเราทําอะไรยุ่งกับงานบางทีลืมเวลากินข้าวเลยใช่ไหมเรายังไม่หิวเลยเพราะเราไม่ได้คิดถึงมันพอไม่คิดถึงมันมันก็ไม่อยากพอไม่อยากมันก็ไม่หิวนี่คือวิธีที่จะทําให้ใจเราสงบตลอดเวลาก็คือต้อง คอยกำจัดความอยากเวลาที่มันโผลขึ้นมาเวลาโผลขึ้นมาก็ใช้หลักเหตุผลที่พระเจ้าทรงคนพบความจริงว่าการทำตามความอยากเป็นการทำให้เราต้องอยากอ ย, กอ ย, กอยู่เรื่อยๆเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดพออยากยาพออยากจะเสพยาพอเสพแล้วก็หยุดไม่ได้นะ้ต้องเสพไปเรื่อยๆห เครื่องดื่มบางชนิดเช่นสุรานี่ก็เหมือนกันพอเราดื่มแล้วมันก็จะติดเราก็จะอยากดื่มอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะเลิกดื่มเราก็อย่าไปดื่มมันเวลาอยากก็อย่าไปดื่มมันอย่าไปคิดถึงสุราวิธีที่เราจะไม่คิดถึงสุราก็คือไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบพุโทโธพุโทโธไปนั่งบริกรรมพุโทโธพุโทโธเลยนั่งดูลมหายใจเข้าออก จบจอ่ออยู่กับลมหายใจอยากปล่อยให้มันไปคิดถึงสุราเดี๋ยวมันก็เลื่มเรื่องสุราแล้วความอยากดื่มสุรามันก็จะหายไปแล้วพอเราไม่ดื่มตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็หายแล้วถ้าเผื่อถ้าเผื่อถ้าเผื่อต้องรับประทานอาหารเย็นเป็นประจำเพราะว่าถ้าเผื่อไม่รับประทานนั่นนอนไม่หลับหรอคะ อ, อ๋อ น, นี่ฝึกได้ไงมันเป็นนิสัยถ้าเรา ไม่กินอาหารเย็นแล้วเรานั่งสมาธิแทนนี่มันจะมีความสุขความอิ่มกว่าไม่ลองรับรองนวไม่ลองนี่กินมื้อเดียวมาต้องสี่สิบกว่าปีแล้วมันไม่เคยลองเลยลองช่วงใหม่ๆช่วงที่มันไม่เคยพอพอเราปรับได้แล้วต่อไปมันก็ไม่หิวนอนหลับสบายหัวถึงหมอนก็หลับเลยยิงถ้านั่งสมาธิใจสงบนี้มันไม่หิว มันไม่มีความรู้สึกหิวมันอิ่มความสงบนี่ทำให้ใจอิ่มใจมีความสุขแต่ใหม่ๆ ม, มันจะหิวมันก็ทรมานนิดหน่อยแต่เรามีวิธีแก้มันได้เวลาเราหิวอยากจะกินอาหารก็ให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในอยู่ในท้องอยู่ในปากเวลาเราเที่ยวอาหารแล้วเราคายออกมาเราตักท้ตับเข้าไปกินใหม่ได้ไหม ดูหน้าตาของอาหารที่อร่อยอร่อยนะเป็นหน้าตามเป็นไงเวลาอาเจียนออกมาจากในท้องเนี่เอากลับกข้าไปในท้องใหม่ได้ปะ อ, อย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานอยู่ในร้านอาหารเขาถ่ายรูปอาหารสวยๆถ่ายล่อใจาเราเขาหลอกเรารู้ปะหลอกให้เราอยากกินเขาไม่เอาอาหารที่อยู่ในท้องมาถ่ายให้เราดูกัน เน่างวิธีแก้เวลาหิวก็ให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในท้องหรือเวลาที่เราถ่ายมันออกมาก็ได้มันก็เป็นอาหารเหมือนกั น, นแต่อยู่ในสภาพหนึ่งพอเนึกถึงอาหารแบบนั้นก็ไม่อยากกินแล้วนอนหลับสบาย น, นี่คือวิธีแก้พระพุทธเจ้าท่านฉลาดมากท่านรู้จักวิธีแก้ความอยากต่างๆ ถ้าอยากจะนอนกับแฟนก็ให้นึกถึงเขาตอนที่เขาไม่มีลมหายใจบ้างเวลาเขาไม่มีลมหายใจเราจะเก็บเขาไว้ในบ้านหรือะล่ไม่นะหัวขนาดไหนลักขนาดไหนก็ยกให้สับเปลยได้แล้วทีนี้อยู่เอาไปเลยฟรีโนชาร์จแต่ถ้ายังไม่ลมหายใจอยู่นี่เป็นตายได้ดีไงก็ให้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะยังมาใช้ประโยชน์ได้ แล้วคนที่ต้องตื่นอต่เช้ามาทำอะไรต่ออะไรแล้วก็นอนไม่หลับหลายๆวันนานๆอีกนานแล้วก็กี่เดือนถึงจะถึงจะอดได้ทานรับปทานแค่อาหารกั้งวันแล้วก็ไปได้เลยก็ตอนต้นให้ทดลองอาทิตย์ละครั้งก่อนเนี่ยวันวันีับวันวันหยุดก่อนวันไหนที่เราไม่ต้องทำงานนีมันจะสะดวกที่เราจะได้มีเวลามัน มันต้องทําควบคู่กันต้องไม่กินข้าวเย็นแล้วก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิด้วยเพราะถ้าเรานั่งสมาธิเราจะมีอาหารให้ใจเราจะทําให้ใจไม่หิวกับอาหารของร่างกายแต่ถ้าเรารักษาศีลแปดอย่างเดียวโดยที่ไม่มานั่งสมาธิมันจะหิวมันจะทรมานใจเราจะจะรักษายากจะไม่อยากจะรักษาแต่ถ้าเราถือศีลแปดแล้วเรามีเวลามานั่งสมาธิ มาทำใจให้สงบนี้พอใจสงบมันอิ่มเลยอิ่มยิ่งกว่ากินอาหารอนกความรู้สึกในใจมันอิ่มจริงๆมันก็เลยทำให้ไม่หิวกับอาหารของทางร่างกายถ้าทำวันหนึ่งได้ต่อไปมันก็เพิ่มเป็นสองวันได้สามวันได้มันจะรู้สึกว่าสบายกว่าเยอะกินอาหารน้อยๆนี่ไม่ต้องมาวุ่นวายแต่ละมือนี่ต้องมาคอยเตรียมอาหารคอยจัดอาหารคอยทาอาหาร เสรแล้วก็ต้องมาล้างถ้วยล้างชามอะไรร้อยแปดถ้าตัดไปได้มือหนึ่งนี้ตัดภาระไปได้ส่วนหนึ่งนะมีเวลาว่างมานั่งสมาธิมาเติมอาหารให้กับใจดีกว่าเวลาเราเติมอาหารให้กับร่างกายนี้ใจก็ยังหิวอยู่เพราะใจไม่ได้รับอาหารเนี่ยอาหารของใจคือความสงบนะเราต้องพยายาม ตอนต้นต้องบังคับให้ึกดหยุดความคิดต้องมีสติให้ใจจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อจะกันไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกอิริยาบถ ท, ทุกการกระทำเนี่ยเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ไถ้าคิดก็แสดงว่าเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายเราก็ดึงมันกลับมา เช่น <lla> เรากำลังอาบน้ำให้มันอยู่กับการอาบน้ำอย่างเดียวกำลังหวีผมกำลังแปรงฟันให้มันอยู่กับการหวีผมการแปรงฟันอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไปก็ดึงกลับมาบอกว่ากำลังเผลอแล้วนะไม่มีสติแล้วนะนะไม่ได้อยู่กับการแปรงฟันแล้วไม่ได้อยู่กับการหวีผมแล้วเนีย่ยพยายามด้งมันให้มันจดจอ่อผูกมันอยู่กับ กับเอเลียบทกับการกระทำของร่างกายแล้วมันจะคิดไม่ได้แล้วเราจะควบคุมความคิดได้ต่อไปเราจะสั่งให้มันไม่คิดได้เวลามันคิดเราก็มีสติเราก็บอกหยุดคิดมันก็จะหยุดแล้วมันไม่คิดมันก็จะไม่มีความอยากต่างๆที่มันอยากมันต้องคิดก่อนพอคิดถึงแฟนเนี่ยเดี๋ยวอยากจะกลับไปซ า, านตลานะอยากจะกลับไป อ้าคิดถึงอาหารเดี๋ยวก็อยากจะไปกินละงั้น <c oughs> เราหยุดคิดได้หรือสั่งให้มันคิดทำให้เราไม่อยากได้มันคิดถึงอาหารแค่มันคิดถึงห้องน้ำห้องน้ำที่อาหารมันจะต้องไปเพราะอาหารมันจะไปไหนมันก็ต้องไปที่ห้องน้ำกันใช่ไ้ยกินอาหารแล้วจะไปเอาไปปล่อยไว้ที่ไหน <c oughs> ก็ต้องไปปล่อยที่ร้านที่ห้องน้ำ ถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะไม่หิวไม่อยากแล้วพอเราไม่คิดไม่อยากนี่ใจมันจะสบายมันจะอิ่มมันจะพอมันจะมีความสุขเราจะติดใจจะชอบอยู่แบบนี้อยู่แบบไม่ต้องอาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายละครก็ไม่อยากจะดูเพลงก็ไม่อยากจะฟังที่ท่องเที่ยวก็ไม่อยากจะไป ไปมาแล้วกินมาแล้วฟังมาแล้วดินมาแล้วมันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ถ้าเราได้พบกับความสงบได้พบกับความสุขจากความสงบแล้วเราไม่อยากไดไ้เราก็จะอยู่ได้อยู่เฉยๆได้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินอย่างมากก็ร่างกายก็อดตายไปทั้นั้นเอง อดตายไม่อดมันก็ตายอยู่ดีใช่ไหมถึงเวลามันก็ต้องอดต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านเวลาจะตายมันก็อดอยู่ดีเพราะมันกินไม่ได้ร่างกายเวลามันจะตายมันกินไม่ได้มันก็อดตายเหมือนกันให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่กลัวตายเราจะไม่กลัวเจ็บร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราเป็นคนขับร่างกายร่างกายเป็นเหมือนน่นยน รถยนต์เสียแล้วก็เข้าอูกซ่อมไปส่งมันไปโรงพยาบาลเนี่ยซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ขายทิ้งเป็นเศษเด็กไปร่างกายรักษาไม่ได้ก็ส่งไปวัดไปส่งไปให้ซัพเปลอือหรือจะไปบริจาคเอาชิ้นส่วนไปแจกจ่ายให้คนอื่นก็ได้สมัยนี้ก็มีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะกันถ้าเราสงสารคนอื่นอยากจะให้เขามีชีวิตอยู่ต่อ ถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเราก็บอกเขาว่าเอาเบอร์จากหัวใจเบร์จากตายเบริจากตับบร์จากาขนาดนี้เบยจากหไหวเหรอคะท่านก็ต้องถามหมอแล้วเ ไ, ไปเดี๋ยวไปทำให้ก็ตายไปรู้เรื่องก็บางอย่างบมงอย่างอาจจะใช้ได้อยู่นะจ๊ะต้องถามหมอดูหมอก็จะรู้ว่าอายุอายุปานไหนถึงจะใช้ได้ถ้ายังอยากจะใช้ประโยชน์ก็เบริจากให้ล ง, งลงเยนเข้าไปก็ได้นี่ โร ง, งเรียนโรงเรียนแพทย์เขาก็เอาไปศึกษาว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างเพื่อจะได้สอนเด็กนักเรียนแพทย์ที่ไม่เคยเห็นอวัยวะต่างๆให้เห็นว่าอาวัยวะในร่างกายมีอะไรบ้างเพื่อเขาจะได้เอามาใช้ในการรักษาร่างกายต่อไปอันนี้ก็เรียกเป็นวิทยาทานจะทำประโยชน์ได้ ถ้ไม่เช่นนั้นก้าก็เอ า, าไปเผาทิ้งเพราะเขาไม่ยุงไม่มีที่เก็บก็กําลังคิดอยู่ว่าจะจะหลังจากหลังจากตายไปแล้วร่างกายจะทําอะไรได้ดีที่สุดเอออยากอยากปลูกต้นไม้อ่ะพูดจริงๆรอ๋อก็เข็มเข็นวิวไว้เลยตั๋วผักไว้ว่าเวลาฉันตายช่วยเอาไปฝากไว้โคนต้นไม้ไหน่อ <c oughs> แต่ร่างกายมันมีประโยชน์ตอนนี้ยังไม่ตาย ประยชน์กับเราเนะี่ยแต่กับประโยชน์กับผู้อื่นนี้เวลาหลังจากที่เราตายไปแล้วยังเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้แต่กับเรานี่เราต้องอาใช้มันในตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่ใช้มันพาเราไปบ้านเราตอนนี้เรายังหาบ้านเราไม่เจอกันเรายังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ตายแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเรายังไม่มีศีลสมาธิปัญญามันก็จะไม่หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วมันก็จะหยุดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับมานอีกแล้วถ้าเผิดเป็นค า, ารวะมันจะจะจ ะ, จะทราบเมื่อไหว่าหลับถึงก็เหมือนกินข้าวแหละเป็นค า, ารวะแล้วเป็นพระอิม่มเมื่อไหร่มันก็รู้เองเจ็บเมื่อมันหยุดความอยากทุกอยาก่างหยุดความอยากทุกชนิดได้มนก็รู้ว่ามันหยุดได้ตอนนี้หยุดได้ยังมีความอยากบางอะไรที่เราหยุดไม่ได้ควา ม, มหิวนี่ยังหยุดไม่ได้ค่ะอ คือความหิวกับความอยากมันไม่เหมือนกันนะคนละอย่างกันนะคะความหิวมันเป็นธรรมชาติของร่างกายนี่เราไปหยุดไม่ได้แต่ความอยากกิน ท, ทั้งทั้งที่มันไม่หิวเนี่ยมันเราหยุดได้เช่นความหิวนี่เราก็อนุ ญ, ญาตให้มันกินวันละมือ้อเพื่อจะได้ดับความหิว แต่พอหลังจากนั้นกินเสร็จไปสชั่วโมงอยากใช้กินอีกอันนี้แหละเป็นความอยากไม่ใช่เป็นความหิวไม่ใช่เป็นความหิวก็จะเปิดทองรองจจ้องไม่ใช่ความหิวแล้วไม่ใช่เหรอคือคือมันไม่ตายก็ใช้ได้ก็แล้วกันถ้ามันอยู่เดีที่เราไม่ให้มันไม่ให้มันกินได้แล้วมันไม่ตายก็ถือว่ามันไม่ใช่เป็นความหิวครับความหิวก็เนี่ยตอนที่มันวันละมื้ออย่างเงี้ยให้มันวันละมื้อเนี่ยไง ตามสบายเลยไม่นองกลัวเ ข, ข่าข้านี้มั่งค่เย็นมันปวดที่นี่ไม่ได้บังคับอะไรทีลวงพ่อสังขารไม่ก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะต้องความหิวนี่มันมันมีแต่มันแก้ได้ด้วยการรับประทานวันละมื้อหนึ่งมื้อถ้ามันหิวหลังจากนั้นก็แสดงว่ามันอยากมันไม่หิวจริง มันอ้างเอาความหิวของร่างกายมาว่าหิวร่างกายหิวแต่ไม่หิวเพราะพิสูจน์กันมาแล้วเพราะพระุทธเจ้าท่านพิสูจน์แล้วว่ากินมันละมือไม่ตายร่างกายกับแข็งแรงกว่ากินมันละหลังมือเพราะโรคภัยไค่เจ็บมันน้อยกว่าความดันก็ไม่มีเบาหวานก็ไม่มีโรคอะไรต่างๆที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปเมันไม่มีแร้ว มีประโยชน์กว่ากินมื้อเดียวนี่มีแล้ถ้าเผื่อต้องต้องเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรแล้วก็เด็กนี่ก็ยังต้องรับประทานวันละประจำหลายมื้อนอนให้พอเพื่อจะได้เติบโตนี่ก็เรานั่งดูเขาเขารับประทานเลยเอ๋อเรื่องเลียลเ้ยงเด็กก็เลี้ยงไปสิไม่ว่าอะไรเด็กมันก็ต้องเลี้ยงให้มันเจริญเติบตโตเราไม่ไ ม, ไม่ไม่นั่งไม่นั่งสอนเขาด้วย อ่ะมันเกี่ยวมันเกี่ยวอะไรกันล่ะอ้มันเกี่ยวอะไรเรื่องไหนก็เลี้ยงไว้แล้วทำไมไปกินกับเขาด้วยอ้าวก็อ้างอะไรเงี้ยความอยากมหาช่องอมันอยากกินอย่างนั้นอะไรก็ถ้าอยากกินก็ไม่ห้ามไม่ว่าอยากจะกินสิบมื้อก็ได้ ح ح> แต่ไม่ไปไม่ถึงเออจะไปไม่ถึงบ้านามันก็จะกลับมากลับมากินอยู่เรื่อยๆ ح ح> กลับมากินกลับมาเลี้ยงหลานอย่างเงี้ยอยู่เรื่ อ, อยๆถ้าอยากจะไม่อยากจะกลับมาเบื่อกับสภาพที่วุ่นวายของชีวิตนี่ก็อย่าอยากกินมากอยากกินด้วยความอยากกินด้วยเหตุผลยเนี่ยนี้ อย่าไปกินเพื่อให้มันให้เกิดความสุขจากการกินทุกวันนี้ที่เราทําอะไรกันเราทําเพื่อความสุขใช่ไหมเราดูอะไรก็อยากให้ดูแล้วมีความสุขฟังอะไรแล้วก็อยากให้มีความสุขดื่มอะไรก็อยากได้ความสุขจากการดื่มแต่มันเป็นการเหมือนเสพยาเสพติดไงเพราะมันจะติดความสุขแบบนี้มันจะทําให้เราติดเพราะความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้กินก็มีความสุข แล้วพอสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันหายไปหมดแล้วความสุขก็ต้องต้องกินใหม่จะได้มีความสุขหม่เนี่ยมันทำให้เราติดเนี่ยมันทำให้เรากลับมาเกิดแต่ถ้าเรามีความสุขทางใจนี่มันไม่มันไม่หมดมันไม่จางมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆถ้าเรารู้จักรักษามันสิ่งที่จะมาทำลายมันก็คือความอยากนี่นะพอเกิดความอยากก็ เอาคำสอนพุทธเจ้ามาเตือนใจว่าทำตามความอยากแล้วก็ต้องอยากไปเรื่อยๆนะอยากแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่นะถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็อย่าไปทำตามความอยากอยู่เฉยๆแล้วก็มีความสุขได้เรามานั่งทำใจให้สงบดีกว่านั่งสมาธิต่อมันก็เลิกความอยากต่างๆได้ต่าไปพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะเฉยใจจะสงบไม่ต้องนั่งสมาธิละทีนี้ มันจะสงบของมันโดยอัตโนมัติตอนนี้มันไม่สงบเพราะความอยากพอมันอยากว่าเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้แล้วเราต้องลุกไปทำตามความอยากกันนี่แหละขอให้เราเห็นโทษของความอยากเห็นคุณของความไม่อยากเห็นคุณของความสงบเห็นคุณที่เกิดจากการควบคุมความคิดเห็นคุณที่เกิดจากการที่เรา สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้โดยไม่ต้องทำตามความอยากว่ามันมีความสุขมากกว่าการทำตามความอยากต่างๆความสุขเราไดจากการทาความอยากต่างๆ ม, มันเป็นความสุขเดียวๆไปเที่ยวมาปั๊บมันก็หมดแล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวใหม่ไปดูภาพยนตร์ปั๊บกลับมาเดี๋ยวก็อยากจะดูเรื่องใหม่มันก็จะอยากไปเรื่อยๆมันจึงทำให้เรากลับมาเกิดกันเรื่อยๆ เพราะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันไม่มีวันหมดอยากรูปก็ต้องมีตาดูอยากเสียงก็ต้องมีหูฟังใช่ไหมจะมีตามีหูก็ต้องมีร่างกายพอร่างกาย น, นี้ใช้ไม่ได้พังไปแล้วตายไปแล้วใจก็ไปหาร่างกายหมมาเกิดใหม่แล้วก็ต้องมาทุก์กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช่ไห ทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เป็นทุกอย่างแล้วพอแก่ก็ทุกอีกอย่างเพอเจ็บก็ทุกอีกอย่างเลยพอตายก็ทุกอย่างแสดงว่าเรากลับมาห า, าความทุกข์กันไม่ได้มาห า, าความสุขกันตายทุกอย่างไงคะอยากตายเวลาจกเวลาหมอบอกว่าวจะตายนี่สุขก็ทุกข์อ่ะเราตายไปแล้วก็แล้วไปใช่แต่ยังไม่ตายนะตอนที่จะตายนะี่สุขก็ทุกข์อ่ะก็คงคงต้อง ทำใจให้ได้ถึงเวลาก็ถึงเวลาอันนี้ทำได้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบกุจอ่ยังไม่จวนนะก็ต้องต้องพยายามนะคะใช้ชีวิตพยายามว่าว่าถึงโอกาสนั้นเราจะทำใจได้ยังไงอ่านั่นแหละอย่าไปรอถึงเวลานั้นเลยมันจะสายเกินไปนะคะถ้าเกิดทำไม่ได้ก็จะทุกไปไปเปล่าเราสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนนี้ ทำได้แบบอยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็จะทำใจได้ถ้าเรายังใช้ร่างกายอยู่มันยังทาใจไม่ได้นี่ท<ก>่านอาจารย์เตือนจริงๆเลยนะไม่เตือนนี่พูดส <c oughs> อนใครมากี่คนก็สอนเรื่องนี้ <c oughs> พูดเรื่องนี้อยู่ทุกวันพูดแต่เรื่องนี้พูดแต่เรื่องแก่เจ็บตาย และวิธีแก้ความแก่เจ็บตายก็คือทำใจให้สงบแล้วจะจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายขอให้เราเชื่อภพจเจ้าแล้วลองทาดูแล้วรับรองได้ว่าจะไม่เดือดร้อนจริงๆตอนนี้เพียงแต่คิดถึงมันก็เดือดร้อนแล้วพอคิดว่าเราต้องแก่เหมือนเหมือนเหมือ น, น้องสาวหรือพี่สาวนี่พี่สาวนอนตององต้องเป็นอย่างนี้เอาหมก็ ถ้าถึงถึงเวลาก็ควรจะต้องก็เป็นนะคะใช่ตอนนี้ไม่เป็นตอนนี้ไม่เป็นก็ไม่เป็นไม่เป็นเขาก็เป็นก็นั่งเชียะเขาว่าถามเข้าเวลาเ้าเป็นถามเข้าเวลาเขาเป็นเข้าแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้สามจีจะทาเวลาก็ทําไม่ได้คใช่ ก็ารเสียอิสรภาพในชีวิตเนี่ยเป็นเป็นของสําคัญสาหรับสำหรับการวัธรรมดา ม, มันไม่ใช่อ <univers ality S 2> ิสรภาพมั น, นไม่ใช่อิสรภาพมันเสียความอยากมันไม่ได้ทําตามความอยากเราใช้ใช้คำโกหกหลอกตัวเราเองว่าอิสรภาพท่านท่านท่านทนหันไปทาน น, นแล้วพูดเลยค่ะ <inte> <c oughs> เน yeah. ี่ยพวกเราชอบว่าคำอิสระภาพคำนีอิสระภาพนี่ก็คือความอยากดีนี่ความอยากที่จะทําอะไรตามใจเราเนี่ยเรียกว่าอิสระภาพใช่แต่ไม่รู้ว่าเป็นการเป็นการสร้างภบสร้างสร้างการเวียนว่ายตายเกิดอิสระภาพแบบนี้ไม่ใช่เป็นอิสระภาพที่แท้จริงอิสระภาพที่แท้จริงต้องหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดถึงจะเรียกว่าอิสระภาพแล้วจะทํำยังไงครับคนที่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ลุกก็ไม่ได้เจ้ หิวน้ำก็กินเองไม่ได้ก็สมองมันสายแล้วไงตอนที่โชว์ตัวเองได้ไม่ไม่ไม่มาไม่ฝึกเอาไว้ไม่เตกตัวไว้ก่อนมาทําตอนที่มันช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนจะจบน้ําตายแล้วจะมาหัดว่ายน้ํามันจะทันหรือเปล่าใช่ไหมมันต้องหัดว่ายน้ําก่อนถ้าเรารู้ว่าทั้งวันนึงจะต้องตกน้ําเนี่ยเราก็ต้องรีดเตรียมตัวหัดว่ายน้ําไว้ก่อนพอตกน้ําปั๊บแล้วก็ว่ายได้ไม่เดือดล้อ เราต้องเตรียมตัวต่อไปเราเราจะไม่สามารถใช้ร่างกายได้แล้วเราจะทำไงไม่ให้เราเดือดร้อน<ไ> เ, ออเราก็ต้องมาฝึกทำใจให้สงบกันถ้าเราใจสงบเราก็จะมีความสุขทดแทนที่ดีวกว่าความสุขเราได้จากร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อนนั่นตอนนี้กำลังแข็งแรงเนี่ยกำลังทำได้ก็ไม่แข็งเท่าไหร่ค่ะทำอะไรก็ปวดทั้งตัวก็ให้นางฉเฉยๆไม่ปวดได้หรอก ปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ยากเหมือนกับการไปแบดเข้าสารไปปีนเขาไปจ็อกกิ้งไปอะไรหรอกให้นั่งเฉยเฉยนั่นเองช้อปปิ้งก็เลิกไปแล้วไม่ใช่ช้อปปิ้งจ็อกกิงก้งอ๋อจ็อกกิ้งอ๋ออันนี้ต้องไปเนาะหมอไม่งั้นถูกหมอดุกนะันอ่เนี่ยนะมันมันนะมันปฏิบัติเนี่ยมันง่ายกว่าพูดเปรียบเทียบให้ฟังอ๋อค่ะพยัญชนะนั่งเฉยเฉยไม่ได้ยากอะไรอย่างเนี้ยกุณยาดาต้นนี้ก็นั่งได้ ตอนเมื่อก่อนไม่ได้นั่งเดี๋ยวนี้ถูกบังคับให้นั่งอะไรต้องนั่ ง, งดังได้ยังหกชั่วโมงไม่ต้องลุกไปไหนหรือนั่งมากกว่าหกชั่วโมงอีกเดี๋ยวนี้มากกว่าก็แล้วแต่สภาพของร่างกายเนี่ยเวลาเรานั่งเฉยๆใจมันจะดิ้นเพราะมันอยากมันอยากจะลุ ก, อ ย, ก อ, อยากจะไปทําน้นอยากจะไปทานี่เราก็ใช้ความกาลังของเราสู้กับมันบอกอยาก ฉันจะไม่ทำตามเธอแล้วต่อไปนี้ทำตามเธอแล้วเธอชอบพาเราไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยเหมือนเมื่อก่อนก็นั่งได้สองข้างแต่เดี๋ยวนี้นั่งนั่งได้ข้างเดียวพอพอมาพับข้างนี้มันมันไม่รับมันปวดร่างกายมันมันเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆนั่งไม่ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ ปกติจะนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ก็ได้เรียงแต่ให้นั่งเฉยๆอย่าไปทําอะไรสักหกชั่วโมงได้ไหมเวลานั่งเครื่องมานี้ยังนั่งเฉยๆได้ไหมได้ค่ะเอหลับก็ไม่หลับตอนนี้นั่งเฉยๆได้ไหมอยู่ที่บ้านเราไปนั่งเิดดคิดว่าเรานั่งเครื่องก็ก็ได้นะคะเราทําอยูสิลองทําอยู่เสิแล้วเราจะ ความแต่คนนี้แล้วใครจะซักเสื้อใครจะทําอาหารโอ้เอาแตเาเวลาที่มันว่างไม่มีช่วงเวลาว่างมั้งไงใช่จริงๆแต่เดือนนี้นะคะทีวีก็แทบไม่ได้ดูเลยนะคะไปเที่ยวไหนก็ไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนซื้อของก็เลิกแล้วใช่ตัดไปเยอะนะค่ะแต่ยังแต่ยังไม่ไปไม่ถึงหรอกค่ะพอเราจะมาปฏิบัติแต่ละทีนี่มีข้ออ้างปัญหาเยอะไปหสดเวลาไปเที่ยวไม่ได้ เวลาไปเที่ยวนี่มีเวลาเยอะแยะเลยใช่ไหมอยางจะมาอยางจะมากุฏิของอาจารย์นี่นะคะอบอกตรงว็กลัวลิง <laughs> ทำไมเลยมันทำอะไรเลยต้องไม่รู้กลัว อ, อยู่นั่นนะ <laughs> <laughs> กลัวไว้ก่อน <laughs> กลัวมันกันเลยทำนองนะคะ่ะกาดแล้วมันเจ็บมันต้องไปรักษาต้องไปฉีดยา <laughs> ก็เลยไม่อยากเจ็บไม่อยากเจ็บค่ะแต่ถ้าเราไม่ใช้ร่างกายเรไม่พึ่งร่างกายมันจะเจ็บแล้วก็ไม่เดือดร้อนมันจะเจ็บไปเจ็บไปเราจะไม่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวแก่เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้ว <ashes. S 1> เราก็รู้ว่าร่างกายมันไม่ใช่เราร่างกายมันเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นคนขับเวลาร่างกายเป็นอะไรคนขับไม่ได้เป็นอะไรไปกับ รถยนต์ซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นขันใหม่ร่างกายนี้รักษาไม่ได้ก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่แต่ถ้าไม่เกิดเราจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาคอยซ่อมอยู่เรื่อยๆมีรถก็ต้องคอยเติมน้ามันเติมลมเติมน้าต้องคอยซ่อมบารุง ก, ก็เป็นภาระอีกแล้วถ้าเกิดไม่ชื่อว่าตายแล้วจะไปเกิดเะรอคะ เชื่อไม่เชื่อมันไม่ได้เปลี่ยนความจริงหรอกไม่เชื่อก็เพียงแต่มันจะได้ไม่มันก็จะได้ทําตามความอยากหอกหลอกห ล, ลอกตัวเองไปพลางหลอกไวาเรื่อยๆแล้วก็ชาบมาถามทีหลังว่าเอ้เรามาเกิดทําไมวะ เ, <laughs> เกิดมาทําไมวะเวลาแฮปปี้มันไม่ถามหรอกแต่เวลามันไม่แฮปปี้มันอยู่เฉยๆมันเศร้าหมองมันจะเริ่มถามกูเกิดมาทําไมวะเกิดมาแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย กิเลสมันฉลาดมันเวลามันใช้ร่างกายได้มันจะหลอกให้เราไม่ให้เชื่ออะไรให้เชื่อความอยากอย่างเดียวมรือว่าตัวเองฉลาดอลพอเวลาร่างกายรับใช้ไม่ได้ตอนนั้นมันถึงจะมานั่งคิดว่ากูทำไงดีทำไงก็ทำไม่ได้ไม่รู้ว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็มีความสุขได้ แต่เราไปติดการใช้ร่างกายพอใช้ร่างกายไม่ได้ก็เลยไม่รู้จักวิธีหาความสุขอีกแบบห น, นึ่งก็เลยทรมานเนี่ยคนมักจะฆ่าตัวตายกันตอนแก่เพราะว่ามันไม่มีความสุขแล้วไม่สามารถใช้ร่างกายพาไปเที่ยวพาไปทำอะไรได้อยู่บ้านก็หมดเหียดนำคาว้าเวเศร้าโศงหงอยเหงาแล้วก็เลยเไม่รู้จะอยู่กันทาไม ฆ่าตัวตายก็ไม่ได้แก้ปัญหาฆ่าตัวตายก็กลับมาเกิดมาอยู่ดีแล้วก็มาเจอปัญหาเก่าแล้วก็ฆ่าตัวตายทุกครั้งที่เจอปัญหาแบบนี้กลับมาเกิดก็จะฆ่าตัวตายต่อีกก็จะติดอยู่กับวัฏจักรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายฆ่าตัวตายต้องเจอทุกทุกครั้งที่กลับมาเกิด แต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าถ้าทำตามพระพุทธเจ้าแนละ้วไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปแล้วถ้าเราทำได้จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะคนที่ทำตามพระพุทธเจ้านี้เขาได้รับผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกว่าจะได้รับคือพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์คาสอนของพระพุทธเจ้าแนละ ไม่มีภาษาโลกแม้แต่รูปเดียวที่จะมาพูดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นความจริงมีแต่มาช่วยยืนยันกันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงเป็นคำสอนที่จะพาให้เรานี้หลุดออกจากคุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ติดคุกต่อไปตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ แล้วก็มาแกะมาเทิดมาตานผมคุงจะต้องทานองนัก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกได้เพียงแค่นี้เอถ้าไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรกันก็เชื่อก็เชื่อค่ะแต่ว่ายังทําไม่ได้ทํายังทำทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปแค่นั้นตอนนี่ยมันเหมือนการเรียนหนังสือเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเท่านั้นก็เรียนเรียนเรียนไม่จบแต่คนที่เขาเรียนแบบตั้งใจเรียนเขาก็เรียนจบกัน เนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราถ้าเราคิดว่าพระพุทธเจ้าทาได้เราก็ต้องทาได้พระสาวกทาได้เราก็ต้องทำได้เพระาะ ท, ท, ท่านก็เป็นคนเหมือนเราเราก็เป็นคนเหมือนท่านไม่มีอะไรต่างกันท่านทำได้เราก็ทำได้ตอนนี้ต่างกันตรงที่ว่าท่านตั้งใจทำแต่เราไม่ตั้งใจทำเรายังไม่คอนวินส์หรือว่าเรายังไม่มั่นใจ หรือเรายัางไม่พร้อมเรายัางอยากจะทําอย่างอื่นต่อออต่อางังงันก็เป็นเรื่องของของตัวใครตัวมัน <c oughs> ใครทําอะไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้น <c oughs> หาเงินก็ได้เงิน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หาทองก็ได้ทอง <c oughs> หาธรรมะก็ได้ธรรมะถ้าหาทองแล้วได้ธรรมะนี่เป็นไปได้ไหรื <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> หาธรรมะแล้วได้ทองไหมมันก็ไม่ได้มันแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการเงินต้องการทองเราก็ไปหาเงินหาทองถ้าเราต้องการธรรมะเราก็มาหาธรรมะกันแล้วเงินทองมันก็ให้ความสุขแบบหนึ่งธรรมะก็ให้ความสุขอีกแบบหนึ่งอันไหนดีกว่าธรรมะดีกว่าเพราะธรรมะไม่หมดไม่เสื่อมแต่เงินทองนี่มีวันหมดได้มีวันเสื่อมได้ ดังนั้นก็อยู่ที่ว่าจะเชื่อไม่เชื่อเชื่อแล้วก็จะทำตามหรือไม่ทาตามเนี๋ยมีหลายขั้นขั้นต้นเชื่อก่อนเชื่อแล้วขั้นที่สอก็ทาตามถ้าทาตามแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นผลเองเหมือนเชื่อหมอป่ะเวลาไปหาหมอนี่เชื่อหมอไนะหมทะลาะกับหมอหม อ, อายามากินไหก็ค่ะถ้าไม่กินก็ไม่รู้ว่ายานี่จะรักษาได้หรือไม่ได้ ก็ต้องกินถึงจะรู้ใช่ไหมถ้ากินแล้วไม่หายก็จะได้ไม่ต้องกินใช่ไหมถ้ากินแล้วหายก็จะได้กินอยู่เรื่อยๆธรรมะของพระเจ้าก็เหมือนยารักษาโรคใจใจเราไม่สบายใจเราทุกข์เราลองกินยาที่พระเจ้าให้เรานีกินศีลกินสมาธิกินปัญญาดูแลดูว่ามันจะหายทุกข์หรือไม่เช่อไหมอ่าเชื่อก็ดี งั้นก็จะอนุโมทนาให้พ่อนนะหมดช่วงแรกนะเดี๋ยวแปว่าช่วงที่สองต่อไปอยะ า, าวาริวะหาปุราปาริบรนติสาคลรังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปรปฏิอิชิตางปฏิาตามตุมัานคิ ป, ปเมวะสมิชจาต สัพเพโเรนตุสังกภาจัมโทปนะรัสยาามณโชนตปภารสรยาาสามีที่โยเววัชานตุสัพพารกโวเวนัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวาอะิวาธนศิริสะนิจามุถาปชาญโย เจตาโรธรมมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลางังตอนนี้ก็ช่วงถามตอบปัญหาเมื <c oughs> ่อกี้มีใครอยากจะถามปัญหาเนะี่ยว่ามาเลย <c oughs> ถามได้เลยจ้ะอถาดได้เลย <c oughs> อันนี้อันนี้ก่อนหักมากค่ะค่ะยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะคแต่ ม, มันมันมันติดนิดเดียวบแบบไม่เข้าใจก็เลยก็เลยอยากข้าราว่าเวลาเรานั่งเนี่ยมันมันวูบแล้วมันก็มีแสงแล้วมันก็เหมือนเราใช้หนังเลยค่ะก็เลยสงสัยว่า เวลานั่งนั่งยังไงนั่งพุทโธเนี่ยค่ะนั่งพุทโธไปแล้วก็วมันก็มีแสงสว่างทุกครั้งที่เรานั่งวูบเวลาจะลงไงนะค ะ, ะมันจะวูบแล้วมันก็จะเหมือนเราดิ่งลงเหวม้างแล้วก็จะเห็นภาพอะไรบางทีก็เห็นเป็นพระบางทีก็เห็นเป็นนู่นเป็นนี่เลยเขาจะ พ, พาเราไปพุ่งเราอย่าให้มันตายเสร็จแล้วก็ใช้พุทโธแต่ตความกลัวมก็จะเข้ามาแทนล้วอย่าไปกลัวแล้วถ้าเรายังพุทโธต่อได้ก็พุทโธไป ถ้ามันยังไม่นิ่งแล้วก็พูดโทแต่หนูก็จะต้องออกอ่ะเดี๋ยวไปออกมันก็จดมันก็ไปนม่ถึงมันไมออกมันก็ดันเราไปอยู่นก็พูดโทเราไม่มีกำลังถ้าเรามีพูดโทต่อเราก็นั่งต่อได้หนูก็เลยใช้วิธีพูดโทดึงจิตกลับมาแล้วก็ต้องออกจากสมาธิทุกครั้งก็เลยไม่ไปไหนวิธีก็ไม่ไปไหนก็เพราะออกมันก็ไม่ไปไหนเสิก็พูดโทต่ออยเลยสิก็นั่งต่อไปพูดโทต่อ แล้วถ้าภาพไม่หยู่ทำยังไงไม่รอดสนใจมันให้อยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็อยู่เองถ้ามีพุโทโธเดี๋ยวมันก็อยู่พุโทโธไปเรื่อยๆมันจะวุบลงไปแล้วมีภาพแล้วก็พุโทโธพุโทโธต่อไปจนกว่ามันจะนิ่งทุกอย่างมันหายไปหมดเดี๋ยวสักแต่ว่ารู้ใจเป็นอุเบกขาใจสงบมีความสุขแล้วก็พุโทโธก็หยุดได้ค่ะหนูเคยลองครั้งหนึ่งคือลองปล่อย ลองปล่อยไปก็ไม่ไมปล่อ ย, ยไม่ได้แล้วน้นองหนะูออกมามันก็ยังเป็นนักสมาธิรเราไม่ต้องการจะปล่อยจิตแล้วต้องการคุมจิตคุมจิตให้มันเข้าสู่ความสงบปล่อยแล้วมไม่เข้าสู่ความสงบมันจะไปพาไปพาไปท่องเที่ยวตามนรกสวรรค์แล้วสุดแท้แต่มันอยากจะไปมันก็พาไปเนักสมาธิเราต้องคุมเหมือนไม่ปล่อยให้มันไปไหนเราต้องการคุมให้มันเข้าสู่ความสงบ ต้องทายังไงฉันจะคุมคืนพุทโธพุทโธไปเรื่อยพุทโธไปได้เรื่อยอย่าไปคิดอะไรอย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏให้เรารับรู้มีแสงมีภาพอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจพุทโธต่อไปเปรียบเหมือนกับเราขับรถไปกลับบ้านเนี่ยระหว่างทางมีมีงานมีภาพยนตร์มีอะไรเราอย่าจอดรถเราขับไปเรื่อยอย่าแวะพอแวะเดี๋ยวไปไม่ถึงบ้านก็ยังนะ การพุโทโธนี่เหมือนกับการขับใจเราให้ไปสู่ความสงบแต่ถ้าเราหยุดพุดโทโธเมื่อไหร่ไปตามนะเห็นภาพเห็นแสงไปรู้ภาพรู้แสงแทนแทนพุโทโธมันก็มันก็ไปไม่ถึงมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นหรือบางทีภาพรู้แสงก็จะหลอกพาเราไปไหนต่อก็ไม่รู้นั้นเราต้องมีพุโทโธตลอดจนกว่าเราจะถึงความสงบเราถึงจะหยุดได้แล้วถ้าเราพุโทโธนี่มันก็จะจะหยุดภาพด้วยไหมค่ะ ถามไปดูสิถามไปถามไปสิถามไปมาถามทําไมบอกมันต้องหยุดเสีถ้าไม่หยุดมันจะสงบได้ยังไงมันต้องหยุดถ้าเรามีพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกอย่างมันหายไปหมดแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบความว่างไม่มีอะไรสักแต่ว่าเราเราเบรคขายังยังไปไม่ถึงจุดนั้นไปได้ครึ่งทางแล้วเราก็หยุดซะก่อน ผมเคยทําแบบที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าให้เอาพุทโธไว้แล้วก็แล้วแล้เดี๋ยวมันจะหยุดเองมันก็ไม่หยุดก็ยังไม่มันก็ไปมันยังไม่หยุดก็แสดงว่าพุทโธยังไม่พอก็ทําต่อไปทีทำต่อไปอย่าไปสงใจมันจะหยุดไม่หยุดไม่ต้องสนใจขอให้เรามีพุทโธไปของเราไปเรื่อยๆผมเคยกลัวจนแบบผนตั้งขึ้นหมดเลยค่ะตอนนั้นคือเราเรา จะพยายามให้ให้พุทโธเนี่ยมันดังแรงๆแล้วก็พยายามแบบนึกดังๆในใจค่ะพุทโธพุทโธก็ก็พอเราออกจากสมาธิแล้วก็ยังเหมือนเหมือนที่เราเห็นตาเนื้อเนี่ยค่ะหนูก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันคือก็มันคืออาการของจิตนังใช้หนังให้เราดูเราเข้าไปดูหนังแทนที่จะไปให้มันสงบตรงนี้ก็เลยไม่สงบเราแล้วมันเราไม่พุทโธต่อ พูดโ ท, ทต่อไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็สงบสงบเราว่ า, วาแล้วก็จะมีความสุขความกลัวเข้ามาซะก่อนก็เลยทุกครั้งเลยก็เลยเอ๊ะบะถามอาจารย์บางองค์ก็บอกว่าอันนั้นคือตกผวังตกผวังเราก็เลยเอ๊ะบางองก็บอกไม่ใช่ตกภวัง ก็ S <S> <S <S 2> <S 2> เลยสับสนว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรกันแนะน่เพราะพราเราก็เพิ่งฝึกมันไม่ใช่ความสงบของเราถ้าให้รู้แค่นี้มันไม่ใช่ <S 2> <S 2> <S ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไป <S 2> <S 2> <S มันเป็นเหตุการณ์ระหว่างทางอย่าไปสนใจขับรถต่อไปขับรถไปเดี๋ยวก็ถึงบ้านเราเองถ้าเราไปแวะไปยุ่งข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์การทางมันก็ไปไม่ถึงบ้าน มีใครจะถามต่ อ, อเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเไหร่ที่เราจะตัดสินใจบวชเฮ้ย่อ <c oughs> ไหร่ แ, <c oughs> แ, แต่งานรู <c oughs> ้หรือเปล่ว่าเราจะแตางงานเอาแต่งาน <c oughs> เราจะรู้เปล่าว่าเราจะแต่แือเรู้ด้วยจิตของเราเองอ๋อฉันต้องรู้ด้วยตัวเองเหรอจะใครมาบอกเราได้ว่าเวลาบวชได้ ย, ยางอาสานปอจะแนะนา ก็ควรจะบวชนี่มันมีหลายเหตุผลด้วยกันบวชนี้มีนี้มีก็มีบวด น, น, นี้นี่ก็มีบวช น, น, วนี้โลกก็มีมันมีหลายเหตุผลด้วยกันแาจจะบวชที่จะได้ผลจริงๆก็คือบวชแบบพอได้พบกับความสงบแล้วถ้าใครลองได้นั่งสมาธิแล้วจิตโวมเป็นอัปปนาได้ขัง้งหนึ่งแล้วพอนนั้นอาจจะอยากจะบวช แ, แล้วก็บวชแบบไม่เสืกก่อม แต่ถ้าบวชแบบนี้มีนี่นี่นี่อะไรเดี๋ยวไปสักพักเลยเดี๋ยวมันก็อาจจะเสร็จได้ถ้าจะบวชให้อย่างท้าววอนก็ต้องถ้ายังไม่ได้ความสงบเวลาบวชก็ต้องพยายามปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่าไปทะเลทลายทํากิจกรรมอย่างอื่นพยายามปฏิบัติของเราไปแล้วพอเราได้ความสงบมันก็จะหลอเลี้ยงจิตใจของเราให้ จเรินเติบโตในในมรรคในผลต่อไปแต่ถ้าเราไม่ได้รับความสงบแล้วเราไปทำภารกิจอย่าง <c oughs> ไปสั่งสอนคนอื่นไปทำพายาญาติโยมไปสร้างโบสสร้างเจดีย์สร้างวัดพาไปอินดงอินเดียถ้าไปนี้ก็แบบว่าเดี๋ยวก็เสร็จแ ล, แล้วคนที่ที่บวชตามประเทนี้ได้ได้ อะไรพอสมควรนะคะอย่างบวดได้ชิมวันสิบสองวันเลยได้ชิมมาหาไง <c oughs> ได้ชิมยังไม่ได้กิ น, <c oughs> นได้ชิมได้ชิมครับสองครั้งบางคนชิมแล้วไม่ชอบก็ไม่ก็ไม่ไม่เอาต่อบางคนชิมแล้วชอบก็บวชต่อหรือถ้ายังบวชไม่ได้ก็รอโอกาสพอมีโอกาสบวชท้าหน้าก็บวชต่อคือบวชชั่วคราวนี้ก็เป็นการแบบว่าไป ไปเที่ยวแคมปัสอ่งเนี้ยไปเราอยกากจะเรียนมหาลาัยนี้เราไม่รู้ว่าก็มีอะไรบ้างเราก็าไปไปขอ ด, ไขอดูไปคุยกับอาจารย์ไปดูห้องเรียนไปดูนักศึกษาเขาเรียนกันยังทําำยังไงอย่อยมาเราบวกสามเดือนก็แบบนั้นมาดูว่ า, าพระบิณฑบาตยังไงหอมจีวรยังไงไหวพระสวดมนต์ยังไงทําอะไรกันก็ลองทําดูถ้าติดใจก็อาจจะขออยู่ต่อนะ บางคไม่ติดใจก็อยากจะมีภาร ะ, ะอย่างหน่งต้องกลับไปทําก็กลับไปทําภาร ะ, ะของตงนเองก็แต่อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าออสถาบันการศึกษาที่เราต้องการจะไปเรียนนี้เป็นยังไงถ้าเราชอบถ้าเราชอบเราจะได้เตรียมตัวหาช่องทางมา ม, า ม, ามาศึกษาให้ได้นี่นก็คืออุบายของพ่อแม่ที่อยากจะให้ลูกได้มีโอกาสได้เข้าสู่มาหาลาัยระดับ สูงสุดเพราะความรู้ทางพระพุทธศาสนานี่ยเหนือนปัญญาอกีกเพราะความรู้ระดับปัญญาเอกนี่ยังดับความทุกข์ไม่ได้เอาตัวไม่รอดยัเอาตัวไม่รอดพ้นจากความทุกข์แต่ความรู้ทางพระพุทธศาสนานี่ทําให้ผู้เรียนสำเร็จนี่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หมดเลยงั้นคนที่คนที่หมดรอจนหมดภาระแล้วก็มาปวดตอนปลายบ้านปลายของชีวิตนี่ก็เป็นการดีสิครับ ก็เหมือนคนแก่ไปเรียนมาหาลัยดีไหมละ่ะ ค, คนจริงดีนะคนะเพราะนั้นมี e ระ e บก e รณ์อย่างกลัมันจะเรียนไม่ไหวสิ <laughs> ใจสู้ก็ไหวอะกาั๊บๆแล้วมีคนแก่ยังคนไปเรียนมาหาลัยกันเี <laughs> ่ยไห ม, มีบ้างบางคนที่ใจสู้ 80-90 ยังไม่จบ High School ก็ไปเรียน High School ก่อนก็มี แตในหนึ่งในแสนหนึ่งในล้ า, งางนงั้นเขาเรึ่งเรีย น, นตอนที่อายุายี่สิบมันตอนนี้นแข็งแรงแล้วจะได้ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตต่อไปนี่ไปพอเรียนจบก็ตายไรยู้เลยมันต้องเรียนตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบจะได้เอามาใช้ประโยชน์อย่างพระพุทธเจ้านี่เรียนจบอายุสามสิบห้าปี แล้วท่านอีกสี่สิบห้าปีท่านก็เอามาสั่งสอนพวกเราเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเราพวกเราที่มีมีพระพุทธศาสนาได้ก็เพราะความสเสียสละของพระพุทธเจ้าเนี่ที่หลังจากที่ทรงตัดสัรู้แล้วก็ไม่อยู่เฉยๆเอาความรู้นี่มาเผยแผ่สั่งสอนแล้วก็มีผู้เรียนรู้สืกทอดกันมาเหมือนกับมหาลัยเนี่ยมีนักเรียนไปเรียนมี จบก็ไปเป็นอาจารย์ต่อก็สอนถ่ายทอดกันมาเป็นทอดทอดจนถึงปัจจุบันนีไ้ได้ถ้าเป็นผู้หญิงทําไง่ะก็กบวชก็ไม่ได้ได้ทํำไมบวชไม่ได้ก็บวชเหมือนกันแ่ะเพียงแต่ไม่ได้บวชนุ่งผมเดืองผมเหลืองนค่นี้แล้วนุ่งขาวบวชด้ใจนุ่งขาวก็ได้บวชไม่ชี้ก็ได้มันก็บวชเหมือนกันแหละ ม, หมันนเรื่องของการบวชนี่มันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเอ กฎระเบียบอะไรต่างๆที่เขาวางไว้เพื่อให้องคอ์กรที่ตั้งขึ้นนี้เป็นองคอ์กรที่ยั่งยืนมั่นคงเขาก็เลยต้องมีกฎมีระเบียบทีนี้องคอ์กรของแม่ชีเนี่ยมันน่มสลายไปหลังจากพันปีเท็กซูนีเนี่ยคือไม่มีใครไปเรียนต่อไม่มีใครไปสมัครเรียนกันเพรอย่างไรเพราะว่าเพราะว่าอันตรายผู้หญิงอยู่ ก็ไม่อันตรายก็พวกที่เขาบวช ก, <ม> ก, กันมาต้องพันปีเขาทำไมเขาบวช ก, กันไนดะ้ภ<ม>ิกษุณีนี่มีภิกษุณีอยู่ตั้งพันปีมีที่ที่บวชผู้หญิงล้วนเลยที่ที่เอ่อของแม่มแมชีแก้วแม่ชีแก้วอ๋อละคกที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาบวชนี่จะผู้หญิงหมดเลยเป็นแม่ชีหมดเลยที่ที่รูร้สึกจะเป็นนุ่งด่างหายหรือไงจังหวัดนุ่งด่าง อะไรใกล้ๆคี่เจ้าพ่อเล่งเคยไปครั้งหนึ่งไปกราบไปกราบที่เจ ด, ดีดูแล้วก็งามต า, า, มาทั้งไม่มีอะไรถามต่อป้ามา YouTube ตอนนี้มีเข้ามา8คน8คนแล้วเฟสดูอ่ะตอนนี้เหลือ2 1, ค 1> อค่ะอยสเจ็่ะขึ้นถึงเท่าไหร่เลยสองร้อยเจ็ี่สามร้อยเจ็ดส แต่ทางยูทูบบอกเขาไว้ว่าอุปกรณ์จะซ่อมเสร็จภายในยวันนี้ครับไม่มีคำถามเพิ่มไมคบมีจากอิน o x นะครับจากคุณซุพ์ครับอขอถามพระอาจารย์ว่าการฟังธรรมแล้วโยนิโสมนสิการเข้าใจเห็นด้วยแต่จิตไม่ยอมหลุดพ้นเพราะว่าขาดสัมมาสมาธิใช่หรือไม่ครับก็ขาดเพราะว่าอาจจะขาด ไม่นก็อยู่ที่ว่าอยากจะหลุดรูปปั้นอะบางคนไม่อยากจะหลุดมันก็ไม่หลุดเหมือนกันเช่ น, นรู้ว่ า, าต้องตัดครอบครัวแต่ยังไม่ยอมตัดเนี่ยมันก็ถึงแม้จะมีสมาธิมีปัญญาท่านมันไม่ยอมตัดมันก็มันก็ไม่หลุดเหมือนกันดั้นมันก็มีขั้นที่หนึ่งก็คืออยากจะตัดหรอืรอปปั้นต้องกาอยากจะตัดก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ เห็นว่าการมีครอบครัวนี่มันเป็นทุกข์อยากจะตัดอยากจะไปอยู่คนเดียวแล้วถ้ายังตัดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิมีกำลังพอนี่มันต้องมีทั้งสองอย่างเริ่มต้นต้องมีความอยากจะตัดก่อนเมื่อมีความอยากจะตัดแล้วก็ต้องมีกำลังที่จะตัดมันแล้วก็มีมีดที่แหลมคมคือปัญญาปัญญาก็คือต้องเห็นว่าการมีครอบครัวมันเป็นทุกข์ แล้วมันจะทำให้กลับมามีครอบครัวอยู่เรื่อยๆ เ, ยเยวียนไหวตาเกิดแล้วเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วถ้ายังตัดไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิยังไม่มีกำลังพอก็ต้องพยายามฝึกซ่นั่งสมาธิให้จิตสงบถ้าจิตสงบแล้วก็จะมีกำลังที่จะตัดได้คาถามจากคุณ อ, อัมพรใจยังเศร้าไม่หายเลยค่ะเกี่ยวกับพระในเมืองกับศรีกา มันเคยศรัทธาท่านค่ะทำไงดีคะก็ลืมไม่ใช่อยากไปคิดถึงท่านพุทโธพุทโธไปหรือยวถ้าจะคิดก็คิดว่าเป็นอนิจจังเป็นเรื่องปกติของโลกมีเจริมีเสื่อมเป็นธรรมดาเราเข้าหาพระพุทธศาสนาเราอยากอย่าไปยึดติดกับตัวบุคคลให้ยึดติดกับคําสอนตัวบุคคลไม่ช้าก็เลยก็ต้องตายหรือต้องเปลี่ยนไป แต่คําสอนของพุทธเจ้าไม่มีวันเสือเ่อมบรรณาการลิโกเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงคือทำมังส ร, รนังกาฉามิถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ต้องเป็นพระอริยสงฆ์เท่านั้นถึงจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้เพราะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นอริยสงฆ์หรือไม่เป็นอริยสงฆ์ถ้าเราไม่รู้เราก็ยึดที่พระธรรมคาสอนดีกว่าอย่าไปยึดที่ตัวบุคคล คำถามจากคุณเอ็เมื่อคืนจิตสงบและนิ่งนานกว่าทุกคืนรู้สึกว่ามือขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบวกกับพลังค่อยๆแผ่ออกจากฝ่ามือทั้งสองที่วางทับกันกระจายวงกว้างออกไปเรื่อยๆจนร่างกายเบาวิวรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนจิตรวมเป็นหนึ่งความสงบอยู่ตรงศูนย์กลางทั้งหมดแต่ยังได้ยินเสียงหัวใจเต้นอยู่คอยตามดูจิตไปอย่างต่อเนื่อง จนจิตถอนออกจากสมาธิรู้สึกอจศจรรย์ใจยังบอกไม่ถูกถึงแม้จะออกจากสมาธิแล้วก็ตามใจยังรู้สึกถึงความสงบนั้นอยู่อยากขอกราบท่านพระอาจารย์ช่วยชี้แนะว่ามาถูกทางใช่ไหมเจ้าคะถ้าเป็นความสงบเป็นความสุบก็ถูกทางพยายามทำให้มันมากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วมันจะเชื่อมกันเช่นเราทำชั่วโมงหนึ่งแล้วเราพักชั่วโมงแล้วกลับมาทำอีกชั่วโมง มันก็เหมือนกับเวลาที่เราเอาน้ำเข้าไปแช่ในตู้เย็นชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็เอาน้ำออกมาใช้ชั่วโมงหนึ่งแล้วเราเอากลับเข้าไปเข้าใหม่ต่อไปน้ำมันก็จะเย็นตลอดแต่ถ้าเรานั่งเพียงครั้งเดียววันละชั่วโมงนี่เวลาออกมาใหม่ๆมันก็สงบเย็นสบายถ้าครึ่งชั่วโมงเดียวมันก็หายไปถ้าเราอยากจะให้มันสงบต่อเราก็ต้องกลับเข้าไปนั่งใหม่ต้องพยายามทาให้มากขึ้นไปตามลาดับ าาสามา ร, ม ค, มส ร, รคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่ 1. โยมฟังธรรมพระอาจารย์ทุกวันขับรถก็ฟังจีดีพระอาจารย์แต่ก็มีสติในการขับรถ ด, ด้วยเป็นการเจริญธรรมมานุสติไหมคะพอรู้สึกว่าฟังธรรมบ่อยๆช่วยให้จิตใจไม่หลงลืมหลักคำสอนและไม่ไหลไปทางโลกมากเกินไป ก็ได้แต่ต้องให้มีสติอยู่กับการขับรถเป็นหลักอย่าไปอยู่ที่การฟังเป็นหลักเดี๋ยวเกิดมีอะไรขับขันจะแก้ปัญหาไม่ทันการถ้าอยากจะได้ประโยชน์เต็มร้อยนี่ต้องนั่งเฉยๆจะดีกว่าเพราะว่าใจจะได้จดจ่อฟังได้อย่างต่อเนื่องถ้าเราฟังไปขับรถไปใจเราจะวิ่งไปกลับไปกลับมากับการฟังกับการดูถนน ก็จะได้ประมาณ50าสหแต่ก็ยังดีกว่าฟังเพลงหมือฟังอะไรที่ไม่ไร้สาระต่างๆแต่ถ้าจะให้ประโยชน์เต็มร้อยก็ต้องนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยไม่พูดไม่ทำอะไรใจจะได้จดจ่อฟังอยู่กับธรรมอย่างเดียวข้อที่2ตอนไปภาวนาที่วัดป่าเมื่อก่อนใช้การฟังธรรมสลับกับจากการล้าจากการภาวนา แต่ช่วงหลังๆเวลาไปภาวนาอยู่ที่วัดกลับไม่รู้สึกอยากฟังธรรมอยากภาวนาอย่างเดียวเหมือนใจอินกับธรรมะสะสมอยู่ไม่ถือว่าผิดปกติใช่ไหมคะอ๋อไม่ผิดหรอกธรรมะนี่มันบางทีเราฟังถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่ามันฟังซ้ำละเรารู้แล้วว่าประโยชน์ที่ไดจากการฟังธรรมนี่มันตอนนี้มันมันเต็มแล้วเราเราได้ประโยชนจากการนั่ง จะได้มากกว่าเราก็นั่งไปแต่เรานั่งไปสักระยะหนึ่งต่อไปเราอาจจะเกิดความสงสัยหรืเกิดความอยากจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อตอนนั้นการฟังทำก็จะเป็นประโยชน์อีกขั้นหนึ่งก็ต้องมีการฟังไปเรื่อยๆประกอบกับการปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราฟังแล้วเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถเอาทำที่เราได้เรียนรู้นี้มาใช้ประโยชน์ได้ แต่ถ้าเราเอาธรรมที่เราเรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติพอเราปฏิบัติไปถึงอีกขั้นหนึ่งเราก็ต้องมาฟังธรรมอีกอีกขั้นนึงเพราะธรรมมันก็มีหลายระดับด้วยกันระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาปัญญาก็มีหลายระดับระดับพระโสดาบรรันระดับพระสกิดาคามีระดับพระอนาคามีระดับพระอรหันต์นี่จะเป็นปัญญาไม่เหมือนกันก็ต้อง ฟังไปปฏิบัติไปพอผ่านขั้นนี้ก็มาฟังทำอีกระดับหนึ่งเนี่ยขึ้นไปตายเต้าขึ้นไปตามลำดับเนี่นถ้าตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่อยากจะฟังทำก็ไม่เสียหายอะไรเพราะตอนนี้จิตมันรับได้รับธรรมะได้เพียงเท่านั้นต้องพัฒนาจิตให้ขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งแล้วมันถึงจะไปอยากจะฟังทำอีกระดับหนึ่งได้คําถามจากคุณโจ อยากทราบว่าจิตในโลกทิพย์รวมถึงจิตในเทวโลกพมโลกในภูมิอื่นๆด้วยหรือเปล่าคะโลกทิพย์เนี่ยเป็นที่ที่ตั้งของของสวรรค์ชั้นต่างๆของของมรรคผลนิพพานของอบายของมนุษย์ของเทวดาของเดรัจฉานจิตก็อยู่ในโลกทิพย์หมดนะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์กับเดรัจฉานนี่ต่างกับภพบอื่นตรงที่ว่ามีร่างกายด้วย เพราะคนเขาไม่มีร่างกายอยาบเขมีร่างกายละเอียดคำถามเจ้าคุณเมทินีตายแล้วเอาไปฝังเลี้ยงต้นไม้บนเขาชีโอนได้ไหมจเจ้าคะตอวห่าดเดียวมารอเดียว<笑><笑>จะจะาทำที่นี่เป็นสุสานแล้วเหรอเอาไปที่ร้านขายต้นไม้สิ <laughs> บอกว่าจะให้ทาํามำเป็นปุย๋ยปุ๋ยหมัก เอาไปหมักเลยคำ <c oughs> ถามจากคุณยุทธผมฝึกตามที่พระอาจารย์สอนพอนั่งนานๆตอนเช้าช่วงตีสามตีสี่รู้สึกโล่งเบาไร้ตัวตนจู่ๆภาพคุณพ่อที่เสียแล้วผมเห็นท่านมายืนยิ้มให้ผมคุณพ่อก็ถือศีลแปครับถามว่าผมมีน้ำตาไหลด้วยปิติผมฝันหรือว่าพ่อมาหาผมครับจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับ ที่เราสื่อถึงกันได้ถ้ามาหารจริงๆก็คุยกันได้ลองถามพ่อสบายดีเหรอตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนอ้าวจริงๆนะพวกที่เขาสื่อกันก็คุยกันได้อย่างเทวดามาฟังธรรมพระพุทธเจ้า <c oughs> เขามีปัญหาเขาก็ถามถามว่าอถามปัญหาพระพเจ้าก็ตอบได้อย่างเทวดามาฟังธรรมหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นนั้นก็ถามมาจากที่ไหนเอมาจากประเทศเยอรมัน เทวดาที่เยอรมันก็มีเทวดาเหมือนกันต้องคุยกันได้ถึงจะจงถึงจะเป็นของจริงแต่ถ้าเป็นแบบภาพมาปรากฏเฉยๆอาจจะเป็นจินตนาการของจิตสร้างขึ้นมาก็ได้หมดแล้วไหมมีมีตามมีเรื่อยๆคำถามจากคุณนาโนอุปาทานขันเป็นอย่างไรครับก็คือการไปยึดขันห้านี่แนะ ก็คือชีวิตของพวกเราพวกเรานี้ประกอบด้วยขันห้าคือร่างกายเรียกว่ารูประขันแล้วจิตใจก็มีนามขันสคือเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งรับวิญญาณการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอันนี้เรียกว่าขันห้าแล้วจิตก็ไปหลงยึดติดกับขันห้าว่ามันตัวจิตเป็นตัวเราของเรา ซึ่งมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติน้งการเป็นของดินน้ำลมฝ่ายรูปปัะขันเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นของจิตเป็นธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ความหลงมันคิดไปว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่มันไม่มีตัวไม่มีตนมันมีแต่ความเป็นของมันเวทนาก็เป็นความรู้สึกสัญญาก็เป็นความจาได้หมายรู้ไม่มีใครจา ไม่มีใครรู้สึกความคิดปรุงแต่งก็เป็นความคิดปรุงแต่งไม่มีใครคิดปรุงแต่งการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นการรับรู้ไม่เป็นไม่ได้มีใครเป็นการรับรู้<อ>แต่จิตมันไปหลงคิดว่าเป็นเป็นตัวไปรับรู้เป็นตัวเราของเราขึ้นมาก็เลยทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพราะพอไปคิดว่าเป็นของเรามันก็ยึดติดอุปทานก็เกิดขึ้นพอมีอุปทานก็มีความอยากให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆ พอมันไม่อยู่ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาร่างกายตายไปก็ทุกข์กันเวลาความสุขเวทนาหายไปก็ทุกข์กันก็อยากจะให้มีแต่สุขเขาเวทนาอย่างเดียวพอเจอทุกขเวทนาก็ไม่อยากให้มันมีแต่ห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศเราห้ามมัเราห้ามไม่ให้มันฝนตกได้ไหมเราห้ามไม่ให้มันแดดออกได้ไหมมันจะตกมันก็ตกมันจะออกมันก็ออก เราต้องมองผัานห้าว่าเป็นธรรมชาติแล้วปล่อยมันไปตามสภาพของมันแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันตอนนี้เราทุกข์เพราะเราเป็นหลงคิดว่าเป็นเราเรามีความรู้สึกเราเป็นคนคิดเราเป็นคนจำได้เราเป็นคนรับรู้รูปสิยงกินนันแต่ความจริงมันเป็นเป็นธรรมชาติที่รับรู้ที่ทำสิ่งเหล่านี้นั่นเองใจเป็นเพียงแต่ผู้มารู้รู้สิ่งเหล่านี้แต่ไปหลงคิดว่าเป็นเป็นตัวของใจ คำถามจากคุณชยาภาพรุ่งนี้ตรุษจีนการไหว้หมูเป็ดไก่ให้ปู่ย่าตายายที่ร่วงรับเขาจะมารับได้ไหมคะและการไหว้แม่นางลดหรือเจ้าที่บ้านในวันตรษุษบาทมีใครมารับจริงไหมคะ อ, อ๋อถ้าอยาใหงนี้ผู้ร่วงรับรับของที่เราไหวนี่เราต้องเอาไปใส่บาทถ้าใส่บาทแล้วก็มันจะเป็นบุญแล้วเราก็เอาบุญนี้อุททให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ แต่ถ้าเราไปตั้งไว้เฉยๆนี่มันยังไม่เป็นบุญแล้วเสร็จแล้วเราก็าไปกินมันก็เป็นอาหารของเราไปมันไม่ได้แต่บางคนก็บอกเ้าไหว้เสร็จเขาก็อไปให้ทานต่ออย่างนี้นก็ได้บุญเช่นเราไปให้คนยากจนก็ได้คนที่เขาไม่มีอาหารรับประทานเราไหว้เสร็จเราก็เอาไปให้เช่นสถานคนชราเด็กพิการสถานที่เขาต้องการความช่วยเหลือขาดแคลนอาหารต่างๆ เราไหว้พ่อไหว้แม่เสร็จแล้วเราก็เอาของที่เราว่านี้ไปบริจาคเป็นทานได้เราก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้กับพ่อกับแม่ได้ถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับแต่ถ้าเขาไม่ได้รอรับเขาก็ไม่รับเ mm hmm. พรบางทีเขาไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเดชานหรือไปเป็นเทวดาก็ได้ mm hmm. เขาก็ไม่เขาก็จะไม่มารอรับส่วนบุญของเรา mm hmm. แต่เรามีเราเป็นลูกเรามีหน้าที่แสดงความเคารพล้วก็ทาไป ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไปตามฐานะของเราคําถามจากคุณปอมลูกพยายามที่จะปล่อยวางไม่คิดถึงคนที่ทําไม่ดีกับเราแต่เมื่อมีเหตุการณ์หรือสิ่งมากระทบทําให้คิดถึงเขาก็รู้สึกคิดไม่ดีขึ้นมาทันทีบาปไหมคะก็มันก็บาปทางใจก็ทําให้เราทุกข์ใจตามที่ดีก็ให้พุโทโธพุโทโธดับเสียพุโทโธนี่มเป็นเหมือนน้าดับไฟ ไปเคือความทุกข์ใจเราเกิดความทุกข์ใจให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่นาน5นาทีเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่เราทุกข์ใจแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปคําถามจากคุณสุเมธจะเจริญสติยังไงครับให้ได้ผลนอกจากเดินจงกรมแล้วมีวิธีอื่นไหมครับก็ต้องมีสติอยู่กับทุกอิเลียบท้องการเคลื่อนไหวของการกระทําของร่างกายเราต้องคอบเป้าจดจ่อดู การเคลื <nett> aren, ่อนไหวการกระทํำของร่างกายตลอดเวลาล้างหน้าก็ให้อยู่กับการล้างหน้าแปลงคันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันหวีผ้าหวีผมก็ให้อยู่กับการหวีผ้าวีผมรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารไม่ให้ใจไปอยู่กับเรื่องอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติตลอดเวลาหรือเราจะใช้พุทโธแทนก็ได้ให้บริการพุทโธไปตลอดเวลาไม่ว่าเรากาลังทําอะไรอยู่ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุทโธไป ถ้าเราต้องใช้ความคิดเราก็หยุดพูดโทไว้ชั่วคราวแล้วให้มีสติอยู่กับความคิดคิดเรื่องจำเป็นเรื่องที่เราต้องคิดพอคิดเสร็จแล้วเราก็หยุดแล้วก็มาพูดโทต่อจนกว่ามันจะไม่คิดถ้าไม่คิดแล้วเราก็ดูร่างกายไปก็ได้ดูว่ามันกำลังทำอะไรมีสติอยู่กับการเฝ้าดูร่างกายไปอย่างนี้ใจก็จะเนิ่งจะสงบเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายสงบได้เร็ คำถามจากคุณปาณีน้อยใจแม่จะขัดกับการปฏิบัติไหมคะความน้อยใจมันเกิดจากความอยากมันก็เราเรานับปฏิบัติเพื่อมาทําลายความอยากอย่าถ้าเวลาเราน้อยใจเราต้องรู้แล้วว่าพ่อเราอยากอยากให้แม่ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วแม่ไม่ทำํำเราก็เลยน้อยใจวิธีที่จะทําให้เราไม่น้อยใจก็อย่าไปอยากอย่าไปหวังอะไรจากแม่ปล่อยให้แม่เขาอยู่ตามสบายของเขา อย่าไปอยากให้แม่ชมเราอย่าไปอยากให้แม่ทำให้นุ่นทำให้นี่ให้กับเราหัดเพิ่งตัวเองแม่เรียงเราบุตาโตพอแล้วเราควรจะเม่้งดูแม่มากอย่าไปหวังอะไรจากแม่ควรจะหวังตอบแทนบุญคุของแม่จะดีกว่าโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเพราะพ่อแม่ให้เรามามากพอแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องให้แม่บ้างแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะไม่มีวันน้อยใจกับแม่ คำถามจากคุณเบนจาวันท่านอาจารย์คะจิตปรุงแต่งได้ส่วนใจนิ่งๆว่างๆใช่ไหมคะคือใจกับจิตมันตัวเดียวกันแต่เหมือนร่างกายเนี่ยมันมันเป็นร่างกายอันเดียวเนี่ยแต่มันมีมันมีอาวัยวะสาสบสองอวัยวะทำหน้าที่ต่างๆกันหัวใจก็กระปั้มเลือดฉีดเลือดกระเพาะก็ย่อยอาหารอันนี้ก็เป็นอาการ ของร่างกายสามสิบสองอาการใจกระจิตก็มีอาการสี่เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ใจก็เป็นผู้รู้รู้อาการเหล่านี้มีอยู่นี่คือเรื่องของอาการของจิตของใจให้รู้แค่นี้ว่าใจคิดใจปรุงใจคิดใจจำได้ใจมีความรู้สึก ใจมีความสามารถรับรู้รูปเสงกิจนรสที่มาทางตาหูจหมูกลิ้นกายแล้วใจก็เป็นผู้รับรู้เรื่องเราทั้ ง, งหมดนี่อีกเี <Wow. S 1> หมดแล้วเลยมีเชรันเชรันบอกว่า happy happy peace long life to all of you okay thank you เชรัน tomorrow is Chinese New Year in Thailand Lunar New Year so happy New Year to you too and see you soon But you will be coming inside the YouTube from time to time until you come physically in August. o t h <coughs> a c and he come to practice here. He is a s i a n w h f o l l o w on YouTube. i n YouTube, and he wants to come <coughs> and practice e e i n g o u a n y question. เมื่อกี้นี่ท่านว่าถ้าถ้าเผื่อทําบุญตักบาทให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยไปเกิดแล้วเนี่ยนะคก็เขาก็ไม่มาไม่มารับบุญที่เราทำใช่แล้วบุญที่เราทำนั้นกี่บากลับมาหาเรากลับมาหาเราเปของเราบุญที่เราแบ่งไปนิดเดียวนช่ไหมเช่นเราทําบุญร้อยบาทอาจจะแบ่งไปได้แค่บาทเดียวบุญส่วนใหญ่เราเป็นของเราหมดเพราะบุญอุเทนนี้มันเหมือนส่งของไปทางไปชนี ส่งไปไม่ได้มากแต่ก็พอที่จะช่วยให้คนที่เขารอรับบุญนี้พอที่จะประทังชีพไปได้วันๆหนึ่งเป็นบุญแบบนี้ไม่ต้องกังวลส่วนใหญ่เราจะเป็นคนได้บุญที่เราทําแต่เราอยากให้เขาได้ถ้าเขาอยากได้ก็ต้องตอนนี้มีชีวิตอยู่เขาต้องรีบทำไว้เยอะๆเวลาเขาไปเขาจะได้ไม่เขาจะได้มีบุญไปกับเขาเขาจะได้ไม่ต้องมารอรับบุญ เขาะนะมันทำได้แค่นี้นะความจริงส่งของไปทางไปชณีเขาบอกส่งได้แค่แค่ครึ่งกิโละจะส่งมากกว่านั้นเขาก็ไม่รับ return to sender นะห ร, รื อ, รอถ้าเราไม่อยากจะ return ก็บอกว่าถ้าพูดที่เราเจาะจงไม่รับก็ให้สับประสัททั้งหลายไปะด้เผื่อสับประสัทที่เขาไม่มีญาติเขาก็าจะได้รับไปได้เวลาทาบุญก็ขาที่ให้คนนั้นคนนี้รับสับประสาททั้งหลาย แต่ให้เลี้ยงตามนมดับไปถ้าคน้คนอไม่ได้ได้านเหมือนกันก็เอาเงินมาให้ก็เลยสิน่ายจะตายไปคนอยู่ก็ต้องการเงินก็มาตการบุญแล้วอย่างนี้เราทำบุญแบบเพื่อถวายบาทสมเด็จพระเจ้อยหัวอยงนี้ค่ะก็นั่นเหมือนกันก็นั่นท่านก็ ท่านก็ทําเพื่อให้เราได้บุญกันไง mm hmm. เพราะท่านท่านไม่ตายเราก็ไม่ทํากัน mm hmm. ใช่ไหมคว <Yeah. S 1> ามจริงท่านอยากจะให้เราทําเพื่อเราจะได้บุญกัน mm hmm. เราบางทีเราต้องมีเหตุเราถึงจะทํากันถ้าไม่มีเหตุเรายังไม่ยอมทํากันเฉนั mm ้น hmm. ผู้ที่ได้รับบุญส่วนใหญ่นี่คือพวกเรานี่แหละพวกที่ทําบุญอยู่ที่ให้กับท่านไป mm hmm. แต่เ บ, บุญส่วนใหญ่ที่เราทํานี่จะเป็นของเรา ส่วนบุญที่ท่านเราส่งไปให้ท่านถ้าท่านทราบท่านก็จะมีความปลื้งปิติว่าเป็นลูกที่มีความประตานอยู่มีความรักคารบท่านท่านก็จะได้รับความสุขทางนั้นแต่บุญของท่านลุ่นฟ้าอยู่แล้วท่านสร้างบุญมากกับพวกเราเยอะแยะวัดนี้ก็เกิดจากการทาบุญของท่านนี่แหเขาวนี้ก็เกิดจากเกิดจากพระบารมีของท่านเนี่ยถึงมีที่อยู่บนเขานี้ได้ ดังนั้นเรบุญของพระองค์นี่มันนวลไฟยอยู่แล้วแต่พวกเรามันมันน้อยเราควรจะรีบทํากันเราก็เลยต้องรอโอกาสอย่างนี้ถึงจะได้ทํากันงนั้นอย่ารอโอกาสพยายามทําบุญให้มันติดเป็นนิสัยพยายามทําทุกวันนั่นมันจะทําง่ายวิธีจะทําทุกวันก็คือเอาเงินที่จะทําบุญเนี่ยใส่กระปุกไว้ถ้าเรายังไปวัดไม่ได้ยังหาผ้าใส่บาตรไม่ได้ก็เอาเงินที่จะใส่าบาตรเนี่ยใส่กระปุกไว้ใส่กระแป้งไว้ แล้วพอเวลาเรามีเวลาว่างไปวันเราจะได้มีเงินไปทำบุญเงี้ยไม่งั้นถ้าเราไปใช้หมดเดี๋ยวไปทำบุญก็ทำได้นิดเดียวเอาเลยนะเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะได้เวลาแล้วก็ขอให้นำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจนะิตริจารณะไล ป, ปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายงยิ่งขึ้นไปเทอา